เราก็ทําวัดกันจบตอนนี้นักประโยชนรทำที่มาร่วมกันตำวัดเย็นที่มาจากกลุ่มโคลาดเราก็ปิดหนังสือราวางไว้ข้างๆก่อนอยังไม่ต้องเก็บนะวางไว้ข้างๆแล้วก็ฟังสักนิดหนึ่งปกติตอนเย็ น, นเราจะเปิดสื่อกันบางทีก็เป็นสื่อของหลวงปู่เทียนซึ่งท่านล่วงรับไปแล้วนะมรณภาพไปแล้ว ทุกทีเราเปิดสื่อของหลวงพ่อเขียนซึ่งภาษานี้ท่านก็ไปจำบรรษายอยู่ที่ภูหลงห่างจากวัดป่าสุตโตภัย ป, ประมาณ1ิกห้ากิโลบางทีก็อาจจะมีการเทศกันอย่างเช่นพรุ่งนี้วันศุกร์ปกติท่านเจ้าว่าอาจารย์ไปสาวิสาโลท่านก็จะมาเทศให้ฟังแต่ว่าพรุ่งนี้ทราบว่าท่านจะต้องอยู่ที่วัด ผหลงวัดป่ามาวันแล้วก็มื่อมาให้ผมอธตมายนะพูดนะแล้วก็ตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ก็อาจารย์วชัยออของเชาวลุนนี้นะอาจารย์วชัยยันนี้ก็จะพูดเกินนิดหน่อยนะเพื่อให้ผู้ที่มาใหม่นะได้รับประโยชน์นิดนึงนเรื่องของการมานั่งนะรวมตัวที่วัดป่าสุตนในคราวครั้งนี้ ก็เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราสวดบทสวดที่เรียกว่ามรติองแปดก็คือมันเป็นทางเอกนะมรค ก, ก็คือทางมรคก็คือชอบประสยัยสารมันเป็นทางเอกขนทางเดียวสุขการรู้แจ้งก็คือมหาสติวัฏฐานสุดเป็นมรมิองแปดที่มันเกิดขึ้นมานในเราเหมือนกับว่า มาฝึกความรู้สึกตัวเนี่แหละมันเป็นทางหนีไฟอะไรคือไฟก็คือความร้อนภายในจิตใจของเรานะไฟราค า, าการที่เราไปให้ราคาทางตาหูจมกูกเร้นให้ราคาเป็นความพอใจเป็นความไม่พอใจคือให้ค่าแล้วท้ายสุดก็มีผลกระทบกระเทือนกระแทกย้อนกลับมาสู่ใจของเราเสียความเป็นปกติเสียสมดุล ฟูฟูแ ฟ, แ ฟ, แ ฟ, แฟบแบเบืบลบสุขสุุกๆกอย่างเงี้ยกระเด็นกระดอนมันไม่มีความพอดีมีความเป็นปกติเพราะฉะนั้นทางสายกลางโพสมเดชสัมมาเจ้าเรียกว่ามัชฌิ ม, มาปฏิปทานะชาวาพุทธเราก็ทราบกันได้ยินเบื้องต้นมันมีทางสุดโตของสองทางทางสุดโตงก็คือกรรมมาสุ ข, ขาริการิโยก เป็นทางสุดต่อเท่าไหลก็ไม่อิ่มเช่นนอนท่าไหลก็ไม่อิ่มอย่างเงี้ยกินเหล้าเท่าไหลก็ไม่พออย่างเงี้ยหรือว่าเจ็บกายท่าไหลก็ไม่เบื่อมันไปทางนั้นเป็นไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะกรนี้ทางหนีไฟและะ้วก็หนีมาที่ความเป็นปกติของจิตเรืเรียวทางสายกลาง บางทีมันก็เป็นลักษณะของทางปันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมันไปไม่เป็นเลยจนใจท้ายสุดก็คือฆ่าตัวตายเลยนะองค์การอนุรักษ์โลกประกาศชัดเมื่อวันที่สิบกันยายนที่ผ่านมานะประกาศไว้ชัดเป็นวันที่เราจะต้องมาช่วยกันรณรงค์ร่วมกันรณรงค์มันเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกในชาติเนี่ย โดยเฉพาะผู้หญิงนี่ตายจากการฆ่าตัวตายนะเยอะเหลือเกินสองต่อหนึ่งวิธีการฆ่าตัวตายกับมวิธีในการที่จะฆ่าตัวเองล้วกพาตัวเองไปตายนัตาส่วนสองต่อหนึ่งต่อผู้ชายแต่คนที่ฆ่าตัวตายแล้วก็ตายได้สําเร็จเนี่ยกลับเป็นอัตราส่วนของผู้ชายสองต่อหนึ่งต่อผู้หญิง นักจิตวยาบอกว่าเราคิดวันละไม่น้อยกว่าหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นเรื่องไม่น้อยกว่านะแต่เช้าตื่นนอนถึงนอนหลับหลับฝันมายังคิดอยู่ไม่น้อยกว่ า, วาเวลาหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นเรื่องก็แสดงว่าสุขสุขทุกๆุกทุกุกสุขสอยู่ในะนั้นทั้งวันเลยเผอคิดไปไท้ายสุดก็คือ คิลกลุ้มเียคิดแล้วกลัวคิละกังวลคแล้วโกรธคิดแ ล, ลด้วเกลียดเป็นไฟเลยทันทีรุมร้อนร้อนลุ่ ม, มคิดละโลภแ ล, ล้วโกรธแล้วหลงภาษาศาสนาเรียกว่าลาคาคิเงี้ยคิคือไฟโมหาคิโมโหโทโสโกรธขึงเครียดโมหาคิคือหลงเห็นอะไรนี่นีหน่อยก็หลงเป็นไฟได้ไมั้ย เกิดความผิดปกติร้อนลุ่มขึ้นมาบวกบวกลบลบนะสุกก็คือไฟนะไฟเย็นบางทีนะผมและตมาเคยทดลองครั้งหนึ่งที่ประเทศแคสเมียนะแคสเมียเป็นเทือกเขาเอเวเรสต์ครั้งนั้นขึ้นไปนะอยากลองว่าอีไม้น้ำจะเย็นขนาดไหนน้ำแข็งน้ำเย็น แล้วเราจะรู้สึกยังไงเอามือแย่ลงไปในน้ำแข็งแ่ามันกัดเลยนะเนื้อเนี่ยติดหนึบเลยพอถอนออกมาแบบมันดูดมันเหมือนกับลอยไฟไหม้เลยอนะ่ะมันพองมันลวกความเย็นมันลวกเอาความสุขมันก็ลวกเหมือนกันสุขใจนยนะหลงสุขจนกระทั่งเหมือนกับว่าหลงตัวนะหลงตนหลงพ่อหลงแม่เงี้ย เชนก็บอกว่าหลงสามีลืมพ่อหรืลงภรรยาลืมแม่ยกตัวอย่างซึ่งโบราณท่านบอกว่าไปไหนให้มีพ่อมีแม่ออกหน้าออกตาเอาไว้ข้างหน้าเลยพ่อแม่แต่ตอนนี้เราเป็นล้วนะที่ว่าเราบริวารหรือว่าลูกเมียนะอยู่หน้าความรู้สึกตัวนี่ถ้าเราฝึกแล้วมันจะเป็นเรื่องของความเป็นปกติ มันจะไปซ้ายไปขวาสุกสุทุกๆบวกบวกลบๆเย็นเย็นร้อนร้ากคืนสู่ปกติหมดเลยอันนี้คือความอัศจรรย์หรือว่าทดลองวิทยาศาสตร์ทดลองยาศาสตร์โดยการเอามือขวาแช่น้ําเย็นที่เย็นจัดๆเลยนะน้ําแข็งนะแต่ไว้บนน้ำแข็งแล้วก็มือซ้ายแต่ไว้บนน้าอุ่นด้วยน้ําร้อนเสร็จแล้วมาเจอน้ําที่เป็นปกติปรากฏว่าไอ้ที่เย็นก็กเป็นร้อนทันทีแล้วก็ที่ร้อนก็เป็นเย็นทันที ตรงนี้เราเห็นได้ช่ไหว่าจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะพอเรามาฝึกให้มีสตนะิรู้กายรู้ใจอยู่รู้อยู่กับปัจจุบันนะเราจะได้เห็นว่าเออมันมีปฏิยาต่างๆแสดงออกมาบางทีจิตก็คิดไปนาดีคิดไปในในอดีตคิดไปในอนาคตมันวิ่งไปวิ่งมาบางทีนั่งอยู่ที่นี่มันกลับบ้านมันไปเมื่อปีที่แล้วไปเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมา แล้วก็อาจจะจย์ใจโอ้ถ้าเราไม่เคยฝึกสติเราจะอยู่กับดีกานาคตในอยู่กับความคิดที่มันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเลยฮะแต่พอเรามาฝึกให้ใจมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะเห็นอีกทางนึงเกิดขึ้นมามันเป็นทางที่โดยธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วะเรายิ่งมาเจตนากําหนดเจตนาฝึกจะเห็นชัดเลยว่าความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะนะ่ย มันจะกลายเป็นที่พึ่งในจิตในใจของเราความเป็นปกติจิตเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งใหม่แต่เป็นของเก่าที่มีอยู่แล้วธรรมชาติเดิมๆ ม, มันก็มีอยู่แต่เราไม่ได้ฝึกมันจะถ้ามันว่องไวมันคล่องตัวนะเพราะในข่าวครั้งเนี้ยเราจะได้เห็นสามวันในะว่ากลุ่มโคอาล่าเนะี่ถ้าเราพยายามที่จะนดพูดนัดคุยแล้วก็กลับมาสังเกตตัวเองจะได้เห็นอาการว่าไหวของจิตเนี่ยนะ มันว่าไหวที่ยิบเลยไปทางตาไปทางหูไปทางตากระทบรูปไปทางหูได้ยินเสียงแล้วมันก็ปรงแต่งได้ไวมากเลยพอใจไม่พอใจน่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันแหลเะเผลอได้ทั้งวันเผลอวิวความคิดนะโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้ทั้งวันก็เรียกว่าผีดิบอ่ะผีดิบไม่ต้องไปหาหมอดูนะไม่ต้องไปหา ให้ใครช่วยเราลางลายลางสังหรณ์เกิดขึ้นมาทันทีขณะที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยละมันก็เราเคยเห็นตัวเราในขณะที่เราเผลอไม่รู้สึกตัวขาดสติใจมันจะลอยลอยออกไปเวลาเรียนออกนอกห้องเรียนมาละเวลาทํางานเนี่ยะมันก็ไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเวลารับประทานอาหารเวลาดื่มน้าความคิดมันก็หล่นลงไปเราได้เห็นด้วยเวลาเมื่อสักครู่เนี่ยนะทําวัดสวดมดนต์เราได้เห็นนะเออ มันจะมีความคิดอีกว่าเพศหนึ่งมันจ่อๆมาแล้วก็คล้ายๆก็ชวนให้เราทำวัดแล้วก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันจะแวบโดนความคิดดูดไปนั่นะก็คือลักษณะของอายนะภายนอกภายในระบบความคิดการปรุงกันแต่งต่างๆเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้กายทำอะไรใจทำด้วยมันก็จะมีอาการความเป็นปกติปรากฏขึ้นมาเด่นขึ้นเด่นขึ้นให้เราได้สัมผัส ใหม่ๆเราอาจจะเหมือนกับว่าไม่คุ้นเคยไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติรูปแบบการปฏิบัติใี่พระที่นี่วัดป่าสุกโตเป็นหนึ่งใน5วิธีที่ถูกกาหนดมาเป็นแนวเคลื่อนไหวพลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกมือขึ้นไปรู้สึกตัวเคลื่อนมาวางที่สะดือรู้สึกตัวตัวนี้พอเราฝึกไปแต่และขณะแต่และสัมผัสรู้สึก บางทีเราจะได้เห็นมันเพ่งมันจี้มันจ้องนี่ยนะแล้วเราก็จะได้เห็นบางทีมันเผลอไปเฉยๆซะงั้นตามความเคยชินเก่าๆแล้วบางทีมันก็รู้เราก็มีสภาวะมันกลางๆทรงๆอยู่รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายแล้วก็ฝึกหานาทีสิบนาทีก็คอขยายผลเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงรู้บ้างลงบ้างมันก็จะได้ประสบการณ์ตรงของตัวใครตัวเรากัน นะละชั่วทำดีชำระจิตนะหรือว่าทำบุญทำทานรักษาศีลนะแล้วก็เจริญจิตตภาวนาอันนั้นเป็นวิถีทางนะไปสู่ทางพ้นทุกข์หรือเรียกว่าทางหนีไฟนะทางหนีไฟที่ทำให้เราเหมือนกับว่าแล้วก็แล้วไปแล้วกเกิดกำไรชีวิตขนาดนีนะ้เพราะว่าที่ผ่านมาบางทีเราก็เคยคิดดีพูดดีทำดีหรือว่า กคคิดนไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็มีผลภาษาศาสนามีคำพูดเอาไว้ในตำรับตำราหรือว่าคำบาลีก็พูดว่าตะเมโสปุเพกะต่ายเหตุสุขทุกขังนิคัต จ, จติปัวลานกังกระตังปาปังตะเมมุตเจียนังขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ย ไม่ว่าเราจะเกิดความสุขหรือความทุกข์บางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์คิดถึงอดีตที่เราพอใจภูมิใจมันก็สุขบางทีมันก็ไม่พอใจมันก็ทุกข์เนนะจากเหตุที่เคยทำบุญทำบาปทำดีทำชัว่วมันในการเก่าโบราณกังกระตังปาปังในการเก่า ก็ให้ชื่อว่าเรากําลังใช้นี่ชนี้ประดุดว่าเรากําลังใช้นี่ชนี้ก็เหมือนกับว่าเราใช้กรรมฐานตัดกรรมการกระทําที่เคยดีเคยชั่วเคยสุขเคยทุกข์ตอนนี้เป็นกรรมฐานก็คือรู้สึกตัวเฉยๆมันก็เป็นการตัดกรรมทันทีเป็นกรรมฐานเดินทางไปสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดามะปฏิบัติธรรม ธรรมะคือการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันมีวิธีการเดินจงกรมนะก็คือมาจากพระสูตรนั่นแหละพระสูตรเนีนก็จะบอกว่าภิกษุให้เธอเดินจงกรมนะก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเป็นการฝึกสติให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัวรู้สึกตัวรู้เวลาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายแลกว่าก็บอกว่าให้มีสติรู้สึกเนื้อรู้สึกตัว ปกติมันตกใจแล้วมันก็หันควับเลยสะดุ้งวาดเว่วาอย่างเง้ยนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีสติก่อนแล้วก็หันไปดูว่ามันคืออะไรใจปกติอยู่หรือว่าเวลาตักอาหารถือบาตรหรือว่าทรงสังฆติจีวรให้รู้สึกตัวถ้าเป็นญาติโยมก็คือใส่เสื้อผ้านั่นแหละหรือว่าการอาบน้ําอาบผ้าต่างๆการหลับการตื่นการพูดการนิ่งขับไทย ปัสสาวะอุจาระให้รู้สึกต่วนเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็น้อมเอามาฝึกหัดกันนะาะว่าช่วงนี้พนะระสงฆ์เป็นช่วงไปมาสสุดท้ายแล้วในช่วงคันภาษาสามเดือนหลายรูกก็เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการเก็บอารมณ์ช่วงนี้ก็หลายคนก็ขอเข้าเก็บอารมณ์เจ็ดวันหรือว่าสิบห้าวันก็มีก็ไปเดินจงกรมแล้วก็ อยู่กับการสร้างจังหวะพลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกมือขึ้นมารู้สึกตัวมาวางที่สะดือรู้สึกตัวตรงนี้โดยูซิว่าความคิดนีที่เราไม่ได้เจตนาคิดมันจะเกิดขึ้นมาสติปัญญาสามารถรู้เท่ารู้ทันและก็ผ่านได้มากน้อยเพียงใดหรือว่าอารมณ์ขณะปฏิบัติมันเกิดขึ้นมามันจะมีอารมณ์งกง่วงเนีเกิดขึ้นมาบ่อยมากแล้วก็ถ้าสติกําลังไม่พรก็จะมีพลัง ความง่วงจะมีอำนาจจะมีกำลังมีทิพลทําให้มื่อเราลนะ่ะไม่สามารถยกขึ้นมาได้หมดเรี่ยวหมดแรงเปลี่ยเพียซึ่งเวลาเราปฏิบัติมันก็จะผ่านอารมณ์บอลนี้ไวขึ้นเร็วขึ้ น, นแล้วก็มีพัฒนาการรู้ทันความคิดได้ไวแล้วกลับมารู้สึกตัวได้ไวหรอเนี่ยมันจะเกิดกับนักปฏิบัติที่สังเกตหรือว่ากลับมาตัวตัวเองบ่อยๆ รูสึกตัวบ่อยๆจะเ acer. ห็นอาการที่มันหลงเพลอไปบ่อยๆเห็นอาการที่มันเพ่งเห็นอาการที่มันเผลอเห็นอาการที่มันเพลินอาการที่มันเพลินในภาษาบาลีก็บอกว่าเป็นนันทิราคะเป็นนันทิละนันธิสหคตามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นสําหรับนักปฏิบัติมันจะได้เห็นบางทีก็เครียดบางทีก็เพลินที่ก็ฟุ้งบางทีก็เบาบางทีก็สบายบางทีก็สุข ที่ก็โล่งปีติอิ่มใจเรื่องที่ก็ความสงบเกิดขึ้นมากายโลตาจิตาตาโลตาเบากายเบาใจตัวนี้แหละมันจะเป็นประสบการณ์ตรงของใครของเราเป็นภาษาธรรมชาติภาษาธรรมะเป็นอาการภายในตัวเราอาการของกายก็แสดงออกนั่งแล้วเจ็บปวดเมื่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอย่างเงี้ยหิวกระหายขับถ่ายปวดหัวตัวร้อนไม่สบาย การแก๊กการเ ก, ก, กรเก็งของร่างกายเราการไหวการนิ่งได้เห็นชัดจิตใจของเราเป็นการบันที่เขาว่าไไหวอารมณ์ต่างๆก็จรเข้าจรออกเราได้เห็นเรากลับมารู้สึกตัวสัมผัสกระทบรู้สึกจนกระทั่งเหมือนกับว่าสติก็ทํางานของเขาเองท้ายสุดแล้วนะใหม่ๆจะเห็นกายตามความเป็นจริงก่อนนั่งเดินยืนนอนการเคลื่อนการไหวของกายต่อมาก็เห็นจิต ที่มันมีอาการว่าไหวตาตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ามันไปตามอารมณ์อารมณ์ธรรมที่มันเกิดขึ้นมาความหงเหว่าหาวนอนลังเลสงสัยการมายาบาดต่างๆก็แสดงออกมาให้เราได้เหมือนกันว่าเออเห็นอาการของจิตของใจเราเราเห็นกายเห็นใจเห็นอาการของกายอาของใจเห็นตัวสติเห็นความเป็นปกติที่มันจะเป็นพื้นที่ภายในจิตใจของเรา หมอประเวศวัชสีเนีเคยพูดไว้ดีในหนังสือของหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนได้เทศไว้ที่ประเทศสิงคโปร์แต่เธอผู้รู้สึกตัวหมอประเวศวัชสีได้พูดเอาไว้ชัดว่าปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยว่าปัจจุบันขณะเนี่ยไม่ค่อยมีกันปัจจุบันขณะดรู้เนื้อรู้ตัวการฝึกสติวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะ มนุสยาชาติทุกๆชีวิตจำเป็นจะต้องฝึกเพราะว่าถ้าไม่ฝึกแล้วนะมันจะอยู่กับความทุกข์เท่า น, นั้นเองเพราะนั้นทุกคนจึงจําเป็นต้องจเองจริญสติวิธีการใดวิธีการหนึ่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในโลกใบนะี้จนทั้งหายสงสัยในเรื่องของชีวิตเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตวิญญาณจนทั้งใช้ชีวิตอยู่อย่างมีกำไรหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขแล้วก็ทํางานทําหน้าที่ ที่ยังถูกต้องมีปัญญาเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับโลกอย่างถูกต้องผ่านตลอดมันก็จะแตกฉานในเรื่องของโลกในเรื่องของธรรมในเรื่องของโลกมีอะไรบ้างที่เราจะต้องแตกฉานเช่นเนินทาทุกไหมอย่างเงี้ยสรรเสริญสุกไหมย้หรือว่างานการที่เรามีหน้าที่เป็นบุลคลากรเป็น จากเป็นเฟืองเล็กๆขององค์กรเป็นความแตกต่างที่สมดุลที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันตั้งแต่พารองจนทั้งผู้อำนวยการอย่างเงี้งยมันก็เป็นลนักษณะของการปฏิบัติธรรมการทําหน้าที่อย่างมีธรรมะมีคุณธ ร, รันแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ทำให้ให้ตัวเองทุกข์ในการทํางานเช่นทําดีติดดีอย่างเงี้ยมันก็ทุกข์นะ ทำดีบ้าดีมันก็ทุกเงี่ยนะหรือทำดีหวดดีมันก็จะทุกเหมือนกันทำดีไม่ถึงดีเงี้ยทำดีไม่มีใครชมงี้นไม่จะทุกทำอีกนิดนึงจะดีอยู่แล้วเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ชมว่าดีหรือว่าทำดีกับคนที่เขาอคติก็จะไม่ได้มองเราว่าดีแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องทำในจิตใจของเราให้มันปกติจะทำยังไงก็ต้องฝึกสติรู้สึกตัวนี่เอง มันก็จะเป็นละณาของประสบการณ์ของใครของเราที่จะต้องฝึกหัดตั้งแต่เบื้องต้นเลยหลวงปู่เทียนบอกว่าให้เห็นกายเคลื่อนไหวหเห็นใจคิดนึกจนทั่งวันที่13กันยายนเป็นวันของหลวงปู่เทียนจิตอาภรณให้มนุษยชาติทุกๆชีวิตเนี่ยออกมาจากความคิดทีนึงตรงนี้นจะเป็นอิสระภาพมันจะเกิดอิสระภาพทางจิตปัญญาณของใครของเรากัน ทุกครั้งที่เราจิตใจเป็นปกติอยู่เหนือสุขเหนือทุกตรงนั้นแหละมันก็คือที่อยู่ก็คือที่อยู่ของจิตเราบ้านของจิตคือปกติเนะสุขสุขทุกทุ ก, ทกไม่ใช่บ้านของจิตบ้านของจิตที่แท้จริงก็คือความเป็นปกติน้ำจิตจืดไรรสชาติแต่ขาดไม่ได้อันนี้คือคํารเปรียบเทียบเนะน้ำหวานน้ำขมนั่น ชั่วครั้งชั่วคราวก็เปรียบเหมือนกับสุกสุ ข, ส ข, สขทุกทุกเนี่ยนะชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าน้ําจิตจืดเนี่ยเดิมได้ตลอดเวลามันก็จิตใจที่เป็นปกติก็เหมือนกันมันจะเป็นพื้นที่เป็นพลังที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกายวาจาใจได้ตลอดเวลาเลยปกติอารมณ์จะผลักแล้วก็พาทำทำได้ความโลภความโกรธความหลงความพอใจไม่พอใจแต่ว่าพอเราฝึกสติแล้วปกติหรือว่าสติปัญญาจะพาทำตรงนี้น มันก็เลยจะแก้ปัญหาภายในใจเราได้ก่อนปัญหามีแต่ใจไม่ทุกข์แก้ปัญหายังไม่ได้แต่ใจเราไม่ทุกข์ตรงนี้มันจะอัศจรรย์ใจมันจะเป็นผลกับการปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องของพัฒนาการของผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็ได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นตามสมควรแก่การปฏิบัติธรรมะสมควรแก่การปฏิบัติจะปรากฏมาให้เราได้สัมผัสจนกระทั่งมันก็เรามีศรัทธาตั้งมั่น เป็นศรัทธาสัมปยุตศรัทธาสัมปยุตหมายถึงว่าศรัทธาในการปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับใครจะเป็นยังไงแล้วนะไม่เกี่ยวกับพระละหันจะขึ้นหน้าหนึ่งรววพระลรหันทั้งหลายผู้ที่ฝึกสอนการเจริญสติจะศึกไปแล้วก็ไป็ชชีวิตอย่างโลกของสาบรญชนคนทั่วไปไม่เกี่ยวแต่จะเกี่ยวกับว่าเรามีความรู้สึกตัวแล้วจะมทิ้งไม่ทอดทิ้งตัวสติตัวปัญญา ให้เขาอ่อนแอแล้วก็ร่มหายไตยสวนไปจากชีวิตของเราต่อไปมันจะเป็นคุณค่าสำหรับชีวิตที่มันปรากฏขึ้นมาปกติเราจะมีกำลังคือรูกกำลังคือรูกําลังใจนะกำลังคือทรัพย์กำลังคือญาติพี่น้องกำลังคือหมู่คณะพวกมากลากไปเป็นเสนาวัวชิการก็คือลักษณะเป็น สมาชิกหว่าเป็นผู้ที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาต้องให้สั่งแต่พอเราฝึกสติแล้วเราจะสังเกตว่าตัวสติตัวปัญญาเนี่ยจะสั่งเราก็คือกําลังคือศีลมีสติความเป็นปกติปรากฏเขาเรียกว่าศีลนั่นนะมันจะเกิดที่กายที่วาจาที่จิตใจศีลคือความเป็นปกติศีลมาจากคําว่าศีลคือก้อนหินนั่นนะ ก้อนหินมันจะหนักแน่นมันจะเข้มแข็งมันจะเย็นคุณสมบัติของหินใจเราเมื่อหนักแน่นมันก็จะไม่โลเลเมื่อมันเย็นก็จะไม่รุ่มร้อนอย่างเงี้นะมันจะแก้ปัญหาแบบใจเย็นเย็นรอได้คอยได้ไม่หุนหันพันแล่นรีบร้อนอันนี้จะเป็นอันที่สอการฝึกสติมันจะปรากฏแล้วก็เกิดขึ้นมาให้เราได้สัมผัสเป็นศรัทธาสัมยุตจะเกิดขึ้นมาะ เป็นอินทรีย์เป็นความแข็งแรงเป็นความเติบใหญ่เป็นพลังของสติของปัญญาของสมาธิเพราะนั้นกายเคลื่อนไหวให้ใจรู้ใจที่มีสติจะรู้สึกตัวอยู่ขณะนี้รู้วนั่งอยู่นะกายทำอะไรนั่งอยู่ใจก็ทำด้วยก็นั่งอยู่ด้วยกันนะกายนั่งใจก็นั่งไม่ได้แวไประกาเสียง ไปกับรูปไปกับรถหรืวไปอดีตไปกับความคิดไปกับอารมณ์อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ฝึกสติเดื่มน้ำก็จะรั่วเดื่มน้ําพูดก็รู้ว่าพูดฟังไมจะรั่วฟังอยู่ได้ยินรู้ได้ยินแต่ว่าไม่มีความคิดใส่ลงไปปุงแต่งต่อจะเป็นความพอใจหรือไม่พอใจคนที่ฝึกสติจิตใจของเราวิธีคิดก็จะเป็นคติคติธรรมทั้งหมดเลย แม้กระทั่งเรื่องไม่ดีมันก็จะเป็นคติธรรมสอนให้จิตใจของเรามันดีขึ้นมาเกิดความเข้าใจปล่อยวางขึ้นมาแต่ว่าถ้าหากว่าสติของเราไม่มีนะไม่รู้สึกตัวนะอาคติก็จะเกิดขึ้นมาของดีจะกลายเป็นของไม่ดมีร่างกายของเราดีอยู่หรือว่ารูปรถกลิ่นเสียงดีอยู่คนอยู่ข้างๆเราก็ดีอยู่หรือแม้กระทั่งเสียงฝนตกขนาดเนี้ ก, ก็เป็นธรรมชาติของเราของเขาอยู่แต่เพียงแค่เรามีความคิดเป็นอาคตินิดเดียวเท่านั้นนะมันจะเสียงฝนทําให้ทุกข์ใจได้ทันทีเลยนะอันนี้ก็คือลักษณะของความปกติกับความไม่ปกติความคิดหรือว่าความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกเสียงมกากระทบที่หูวก็เป็นความรู้สึกแล้วมันก็จบทันที เาละเห็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องปฏิบัติธรรมกันสามวันวันนี้เป็นวันแรกเราก็ยังไม่ต้องพูดในเรื่องของอรายละเอียดกันมากเดี๋ยวจะพาทำเรือว่าการฝึกการเจริญสในรูปแบบส4สีจังหวะัะแล้วก็เดินจงกรมโดยใช้เวลาที่เหลือสามวันนี้พัฒนากายพัฒนาจิตของเราตนต่อไปให้ตัวสติปัฏฐานสี่อรนี่มันคลองตัว สติมีสองแบบคือสติสัญชตาตญาณแต่ว่าที่เราจะฝึกกันต่อไปนี้เรียกว่าสติปัฏฐานให้มีสติลึกรู้เห็นกายตามความเป็นจริงเจนแม้มันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นกายสำหรับกายนะให้เห็นไอตัวาการที่ปรากฏที่กายสุขสขทุกทุๆแนะวเวทนาเกิดขึ้นให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเป็นแค่สักทละว่าเวทนาเฉย เจ็บรู้ว่าเจ็บเมื่อรูว่าเมื่อย เ, เฉยๆใจปกติดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เห็นอาการที่เกิดไปในจิตใจของเราคือระบบการคิดการปรุงไม่ใช่สัต์ตัวตนบุคคลเราเขามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันคิดแล้วมาเริ่มต้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปตามลักษณะของธรรมชาติของจิตที่แสดงออกถี่ยิบเลย เห็นธรรมชาติต่างๆภายในภายนอกเสียงมาทบที่หูหรือว่าธรรมชาติหลายส่วนภายในภายนอกตัวสติจะตอบรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนกระทั่งเหมือนกับว่าเราหายสงสัยก็ต่อไปอย่างนี้นะเอาละเพราะนั้นเห็นว่าสมควรแก่เวล า, าก็ขอยุดติเพียงแค่นี้ก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสที่จะฝึกสติกันต่อไปหลังจากที่เราก่าบพระ แล้วก็แยกย้ายกันกลับปุติ ก, ก็อให้มันก็ว่าใช้เวลาอย่างเต็มที่จนกระทั่งนอนหลับเอาละเดี๋ยวเราทบควนกันเวลากับภาพร้อมกัน